บทที่12คำท้าจองเริกทั้งแปลกใจทั้งหงุดหงิดที่โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดของตนใช้งานไม่ได้ทั้งที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมถอดด้ามเมื่อตรวจสอบดูจนแน่ใจว่าเป็นความบกพร่องของฮาร์ดแวร์จึงโทรศัพท์ไปถามฝ่ายขายว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ได้หรือไม่เนื่องจากซื้อมาเพียงอาทิตย์เศษคำตอบที่ได้รับคือถ้าพ้นเจวันทางบริษัทจะเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าบริการ แต่อา จ, จต้องรอสักอาทิตย์หนึ่งจึงจะมารับเครื่องได้เด็กหนุ่มพยายามอ้อนวอนว่านี่เพิ่งพ้นสิทธิแลกเครื่องใหม่มาเพียงสาวันควรจะย่นย้นหน่อยเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยดีกว่าเพราะเขาจําเป็นต้องใช้งานสําคัญจริงๆแต่ก็ได้รับคํายืนยันแบบกระต่ายขาเดียวว่าพ้นเจวันจะไม่เปลี่ยนให้เพราะเงื่อนไขถือว่ายุติธรรมที่สุดแล้วคือลูกค้านําเครื่องมาจะซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจองเลิกอธิบายว่า เวลาซ่อมหนึ่งอาทิตย์ที่เขาต้องรอนั่นแหละคือค่าใช้จ่ายมาหาโหดเพราะเขาจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสำคัญบนอินเทอร์เน็ตจากนอกบ้านเป็นข้อมูลที่เขารอมานานหากพลาดไปอาจหมายถึงการสูญมากกว่าเงินค่าเครื่องใหม่เสียอีกที่เขายอมลงทุนซื้อมือถือแพงๆก็เพื่อช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเครื่องเก่าก็ขายทิ้งไปแล้วไม่เหลืออะไรให้ใช้สำรองได้อีก ยื้อกันไปยื้อกันมาเป็นนานสองนานในที่สุดพนักงานก็ยื่นข้อเสนอแบบตัดรำคาญว่าให้ลองไปที่ศูนย์ซ่อมโดยตรงและขอให้ช่างทดสอบเครื่องที่เคาน์เตอร์หากเห็นว่าเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้ทันทีนี่คือทางออกสุดท้ายรู้ทางรู้ว่ามีโอกาสเพียงริบตรี่ที่ช่างซ่อมจะใจดีเช็คดูและเปลี่ยนอะไหล่ให้รวดเร็วดังคาตัดราคาญของพนักงานขาย แต่จองเลิกก็ต้องจำใจยอมถอสังขารแบบข้ามเมืองมาที่อาคารอันเป็นศูนย์ซ่อมของบริษัทเจ้ากรรมมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยทางเลือกอื่นเช่นยอมโดดเรียนเป็นอาทิตย์อาทิตย์เพื่ออยู่กับบ้านนั่งเฝ้าข้อมูลที่ตนรอคอยหรือไม่ก็ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นต่อเน็ตได้เครื่องใหม่ไปเลยซึ่งทั้งสองทางเลือกล้วนแต่สิ้นเปลืองวเวลาเวลาหรือไม่ก็เงินทองเกินกว่าจะทาใจยอมรับ ยามนี้ในหัวใจของจองเลิกเหมือนห้องที่คราครุงด้วยหมอกควันโทสะร้อนแรงคอยดูเถอะถ้าบริษัทไม่ช่วยเหลือเขาเต็มที่ก็จะได้เห็นดีกันเล่นกับใครไม่เล่นเขาจะทำให้พวกไร้สำนึกได้สังวรเสียบ้างว่าในกลุ่มลูกค้าหมื่นคนแสนคนนั้นอาจมีคนธรรมดาที่น่าครั่นคร้ามปะปนอยู่ด้วยถ้าขืนบริการไม่ดีก็อาจเจอบทเรียนแสบสันอันยากจะลืมเลือนได้ทุกเมื่อ กินส้มตำดับโมโหเวลาเจอจานเด็ดเผ็ดแสบเรียกน้ำตาให้ซึมได้แล้วเขามักจะอารมณ์เย็นลงระยะหลังเริ่มรู้สึกตัวว่าพอปล่อยให้เกิดอาการโกรธเปรี้ยงปร่างและคิดแค้นไม่หยุดแล้วจะมึนๆทึบๆไปทั้งวันหัวไม่ค่อยแล่นซึ่งเป็นผลเสียกับงานชิ้นโบแดงที่เขากำลังทำอยู่ร้านเจ้าประจาหน้าปากซอยเป็นแหล่งพึ่งพิงของเขามาตั้งแต่เด็ก เรื่องความสะอาดไว้ใจได้เพราะไม่เคยมีปัญหามาก่อนแต่แล้ววันนั้นก็เกิดประสบการณ์ครั้งแรกเมื่อเริ่มขึ้นรถประจำทางทุกอย่างยังคงเป็นปกติไม่มีอะไรแต่พอกำลังนั่งมองนอกหน้าต่างเพลินๆได้สักครึ่งชั่วโมงท้องไส้ก็ชักปั่นป่วนขึ้นมาตอนอยู่ในขั้นของสัญญาณเตือนธรรมดานั้นเขานึกว่ามันล้อเล่นแต่พอเริ่มมีการทุบประตูโครมครามถี่ขึ้น จองเริกก็ทราบว่านั่นไม่น่าจะใช่เรื่องล้อเล่นเสียแล้วเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทางเสียดายค่ารถโดยสารปรับอากาศจะแย่แต่ทำอย่างไรได้คืนไม่ลงป้ายเดี๋ยวนั้นเหตุการณ์จะยิ่งเลวร้ายขึ้นอีกเป็นทวีคูณเพราะรถติดเป็นแพรยาวเหยียดเกือบ10นาทียังจอดแช่แบบมองไม่เห็นอนาคตอยู่กับที่เช่นนั้นจองเลิกลงมาเดินเม้มปากบนฟุตปาดเหลียวซ้ายแลขวารอบด้านภาวนาให้มีปั๊มน้ามันอยู่แถวนั้นสักแห่ง แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังที่ไม่มีให้เห็นแม้แต่เงารอบทิศเต็มไปด้วยตึกแถวอาคารร้านค้าหาสุขาสาธารณะไม่เจอฝืนทำหน้าเป็นปกติคนอย่างเขาไม่ใช่ไอ้เสียวที่จะลุกลี้ลุกลนแสดงท่าตื่นตูมกลางถนนเขาเก็บอาการได้แม้ในยามคับขันและที่จะให้หน้าซีดเหงื่อแตกถามใครต่อใครว่าห้องน้าไปทางไหนนั้นเมินเสียเถิด คนอย่างเขาต้องเดินเนิบๆ เ, เข้าห้องน้ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลังเลอึดใจหนึ่งเลือกระหว่างร้านก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามซึ่งต้องเดินข้ามสะพานลอยไปกับอาคารสำนักงานตรงหน้าแล้วเด็กหนุ่มก็ตัดสินใจเลือกที่พึ่งใกล้ตัวกว่าโดยไม่มีแกะใจดูด้วยซ้ำว่าบริษัทชื่อเสียงเรียงนามใดเห็นแต่ภายนอกเป็นอาคารเก่าๆก้าวเท้าเข้าเขตรั้วไปแล้ววางเวงใจชอบกน เมื่อเข้าสู่ตัวอาคารก็ชักเร่งรีบขึ้นกว่าเดิมสำนักงานไม่ได้มีป้ายแสดงความเอาใจใส่บอกทิศทางลูกค้าเหมือนห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเด็กหนุ่มเริ่มหันรีหันขวางกำลังตัดสินใจว่าจะเสียงเดินไปจนสุดทางข้างซ้ายหรือข้างขวาดีเกรงว่าเลือกผิดเพียงในเวลาสั้นๆทุกอย่างอาจสายเกินไปแล้วก็ได้ช่วงเวลาห่างกันเพียงไม่กี่อึดใจสถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นกว่าเดิม หลายเท่าตัวบางครั้งต้องหยุดยืนกลั้นหายใจด้วยความประวัติพรั่นพรึงสุดขีดว่าอาจจะทนต้านทานไม่ไหวในอีกไม่กี่พริบตาข้างหน้าเขาจำเป็นต้องรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตในระยะสั้นให้ได้เดี๋ยวนี้ว่าควรจะเป็นไปในทิศ ท, ทางใดโชคเข้าข้างอยู่บ้างผู้ชายอ้วนๆหน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินลงบันไดามาจากชั้นสองจองเร่ฟเห็นเข้าก็ปาดเข้าไปถามฉับพลัน ลืมมาสุขุมที่ตั้งใจรักษาไว้เสียสนิทพี่ครับชั้นนี้มีห้องน้ำหรือเปล่าชายคนนั้นเห็นท่าทางตื่นเต้นประกอบคำพูดของเด็กหนุ่มแปลกหน้าก็รู้ว่ากำลังมีเรื่องด่วนประเภทใดจึงเปลี่ยนจากสีหน้ายิ้มยิ้มเป็นขึงขังพูดจาเป็นงานเป็นการทันทีน้องไปทางซ้ายนะเขาปาดแขนไปตามทิศที่บอกสุดทางแล้วเลี้ยวขวาพอไปจนสุดอีกทีก็เจอแล้วขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรรีบไปเถอะ จองเลิกเลิกสงวนท่าปิดบังอาการใดๆพอยินวจีเผยทางสวรรค์จบก็แทบวิ่งจุดเป็นลูกธนูแล่นจากแหล่งราวกับกำลังแข่งเวลากับความเป็นความตายเกิดมาเป็นตัวเป็นตนไม่เคยตกอยู่ในสภาพหน้าอดสูเยี่ยงนี้มาก่อนแต่ก็ช่างเถอะชายที่ฟ้าส่งมาช่วยสงเคราะห์เขาคงไม่ได้เห็นหน้ากันอีกจนช่วงกรลปาวสารฉะนั้นคงไม่กะไรนักหรอกกับการขายหน้านาทีเดียว วิ่งปรีไปจนสุดทางเลี้ยวขวาแล้วตรงดิ่งต่อแบบไม่ปล่อยเวลาให้ล่าช้าแรงกระแทกที่เกิดจากการรีบวิ่งไม่ส่งผลดีต่อสภาพเพียบหนักในขณะนั้นเท่าใดนักเหมือนด้านนอกประตูเมืองมีท่อนซุงกระทุ้งอยู่ปังปังไม่พอในเมืองยังได้ทหารทรยศช่วยเขยา่าเขยา่าเสริมด้วยอีกแรงยิ่งรู้สึกว่าใกล้ห้องน้ําร่างกายคล้ายยิ่งตอบสนองเป็นพิเศษ ครมีทหารเลวขออนุญาตยิงปูดออกไปให้ได้เดี๋ยวนั้นเรียกว่านับเวลาถอยหลังเข้าสู่ภาวะปลดปล่อยเป็นวินาทีตามการคำนวณระยะทางกันเลยทีเดียวทว่ายิ่งวิ่งใกล้ที่หมายเข้ามาสังหอนก็ยิ่งเริ่มทำงานมากขึ้นทุกทีบริเวณนั้นมืดมืดถึมๆึมเหมือนไม่ค่อยน่าจะมีกิจกรรมของมนุษย์เท่าไรนักกระทั่งท้ายสุดต้องตัวแข็งทื่อราวกับถูกไฟช็อตเมื่อเจอป้าย ไม่มีกิจห้ามเข้าแปะไว้เหนือขอบประตูข้างซ้ายสุดทางจองเริกชะงักกึกขนลุกสู้จ้องป้ายแทบตาถลนไม่เชื่อสิ่งที่ตนเห็นพยายามอ่านใหม่ให้เป็นอื่นแต่มันก็ไม่เป็นอื่นอยู่เช่นนั้นความท้อที่จะมีชีวิตต่อก่อตัวขึ้นท่วมท้นเรียกว่าหมดความใยดีตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาถึงศรีรษะอยากนั่งแปะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามเวรตามกรรม คับแ้นจุก อ, อกแน่นเสียดเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกเรื่องแค่นี้ทำไมต้องหลอกกันด้วยให้ตายเถอะนึกไม่ถึงว่าจะมีใครใจไม้ไส้ร ก, กรรมอย่างระยามได้เท่าเจ้าอ้วนนั่นเลยขบฝันแน่นเกิดจินตนาการเลวร้ายสุดขีดเห็นตัวเองเลอะเทอเะเปรอะเปื้อนในไม่กี่อึดใจข้างหน้าเป็นนาทีที่เขารู้สึกว่าตนกลายเป็นเด็กน้อยร่างกายอ่อนแอถูกรังแกอย่างไร้เหตุผล ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตสงสัยว่าทำไมคนเราจึงต้องคิดชั่วต่อกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนเยาว่าแต่ทำเรื่องแค้นเคืองอันใดให้เกรงแน่นทั้งตัวเหมือนกล้ามเนื้อทุกมัดเขม่งเกลียวเตรียมระเบิดเป็นเสียส่ยงร่ำๆจะออกอาการปี๊ดปี้ปีขึ้นมารำไรนี่คือวิกฤตที่ร้ายแรงเกินประมาณแต่แล้วพออัดอั้นตันใจมากๆเข้า ธรรมชาติทางกายก็เหมือนจะผ่อนปรนให้บ้างค่อยรู้สึกทุรนทุรายน้อยลงใจชื้นขึ้นมาหน่อยรีบหันทิศกลับเดินดุ่มย้อนกลับทางเก่าไม่แน่ใจว่าถ้าเจอชายอ้วนผู้สวมหน้ากา ก, ากนักบุญนั่นยืนรออยู่เขาจะยอมขี้แตกขอเพียงให้ได้เตะก้นมันสักปาบหรือไม่ระหว่างเดินซอยเท้ายิ่งคิดถึงสีหน้าแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเปี่ยมน้ำใจเอื้ออารแล้ว ก็ยิ่งคันขยิกขึ้นมากลางอกด้วยความข้างแค้นจนกระทั่งต้องกัดริมฝีปากแทบห่อเลือดเกิดมาไม่เคยเจอใครเหี้ยมโหดเอามาหิดได้สนิทแนบเนียนภายใต้หน้ากากาพ่อพระได้เหมือนอย่างนั้นมาก่อนถึงทางแยกเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจ้องเริกกัดกรามแน่นคราวนี้ไม่กล้าแสดงความดีใจออกนอกหน้าเท่าใดนักพี่ครับห้องน้าไปทางไหน ผู้หญิงคนนั้นปลายตามาเห็นสภาพเลิกเลากตัวรีบของเขาแล้วเบะปากยิ้มนิดๆเออเห็นคนเหงื่อแตกถามหาทางไปห้องน้ำเป็นเรื่องตลกนักหรือไงกำลังตกอยู่ในสถานการลำบากแทนที่จะสงสารกลับส่งสายตาย่อหยันสมน้าหน้ากันแบบไม่เก็บงามแบบนี้ชั้นนี้ไม่มีหรอกน้องต้องขึ้นไปข้างบนไม่มีที่ชั้นล่างหรอกหรือครับเด็กหนุ่มขมวดคิ้วนิ้วหน้า หลุดปากถามอย่างกังขาสุดขีดว่าไม่มีได้อย่างไรกันผิดหลักเป็นอย่างยิ่งบังเกิดความระแวงขึ้นมาทันทีว่าอาจถูกหลอกซ้ำสองเข้าให้แล้วอืมไม่มีตึกเรามันยากจนคนสร้างเขาประหยัดงบทำชั้นเว้นชั้นความจริงสมัยก่อนก็มีอยู่นอกอาคารแต่เข้าทุบทิ้งไปนานแล้วเปลี่ยนเป็นที่จอดรถแทนเพราะที่จอดรถมันไม่พออยู่ในเมืองก็อย่างนี้แหละน้อง ที่จอดรถมีค่ากว่าห้องซ่วมคนข้างนอกเทเลอร์ถล่าเข้ามาก็หาลำบากหน่อยใหญ่นั่นสาทยายยืดยาวเสียงยันยานคล้ายจะถ่วงเวลาหน้าตาเฉยเวนกรรมที่ดันมาเจอคนขี้แกล้งเข้าอีกรายจนได้ครับขอบคุณครับเออแล้วข้างบนนี่มุมไหนครับพอไปถึงก็เลี้ยวซ้ายพอสุดทางก็เห็นเองจองเลิกไม่ขอบคุณซ้าแต่รุดขึ้นบันไดริ้วๆแบบก้าวทีละสองขั้นสาขั้นไปในทันที ระหว่างทางก็ภาวนาขออย่าให้เกิดอาการเข้าขั้นตรีทูตขึ้นมาอีกเอาแค่ตอดดิดตอดหน่อยแบบให้โอกาสปลอดภัยได้ตลอดรอดฝั่งกันบ้างเถอะและถ้าคราวนี้ถูกหลอกอีกหนก็ขอให้ฟ้าดินเป็นพยานเขาจะตามล่าเด็กเลี้ยงแกะชายหนึ่งหญิงหนึ่งให้พบทั้งสองคนแล้วลงโทษอย่างสาสมที่สุดขึ้นมาถึงชั้นบนเลี้ยวซ้ายวิ่งขยุกขยกไปจนสุดทางประตูอยู่ที่นั่นจริง กลิ่นห้องน้ำที่โชยออกมาเตะจมูกช่างหอมหวานทวนลมไม่มีอะไรเกินเพิ่งเข้าใจคำว่าสุขาอย่างถ่องแท้ก็วันนี้เองเด็กหนุม่มก้าวพรวดเข้าขอคอกหนึ่งปิดประตูปึงปังกลับหลังหันปลดกางเกงกระแทกตัวลงนั่งโครมทันเวลาแบบชิวเฉียดขณะเส้นยาแดงผ่าแปดถอนใจเฮือกแล้วเฮือกเล่าคล้ายผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างยากเย็นเหลือพนน า, นา หลายนาทีผ่านไปทุกอย่างกลับสงบลงเหมือนทะเลป่วนที่คืนสู่สภาวะราบคาบจองเริกยิ้มกับตนเองเฮี้ยมเียมพยักหน้าเงึกๆงึกอย่างเพิ่งนึกออกเกี่ยวกับความจริงในชีวิตข้อหนึ่งคือคนเราไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเสียก่อนถึงค่อยคิดกันแกล้งกันได้ขอเพียงมีนิสัยเด็กเกเรติดตัวอยู่เป็นทุนเท่านั้นความแค้นของจองเิกเมื่อถึงขีดหนึ่ง จะปราศจากปฏิกิริยาปึงปังโวอกวัคทว่าจะเงียบสงบแบบคนเลือดเย็นรีตาครุ่นคิดหาวิธีจองล้างจองผลานอย่างเอาจริงเอาจังหากยังตกลงปรงใจเลือกวิธีดับแค้นไม่ได้ก็จะคิดคิดและคิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากระดิ่งแห่งความชั่วร้ายจะลั่นเปรี้ยงขึ้นมาในหัววางแผนเป็นขั้นๆว่าจะตามล่าตัวยักษ์ใหญ่ใจมารตนนั้นด้วยวิธีใด ลักษณะเครื่องแต่งกายลำลองแบบคนมาสะสางงานบันอาทิตย์ทำให้ทราบว่าต้องเป็นคนในบริษัทและน่าจะประจำอยู่ที่ตึกนี้แน่ฉะนั้นถ้ามีความอุตสาหะเพียงพอเดินหาทีละห้องก็ต้องได้พบได้เจออยู่แล้วถ้าใครถามว่ามาด้อมๆมองๆดูอะไรเขาก็จะบอกว่าต้องการพบชายสูงประมาณร7 0เ็ซนติเมตรรูปร่างอ้วนท้วหน้าตาใจดีผิวขาวไม่ไว้หนวด วันนี้ใส่เสื้อเชอิ้ตสีฟ้ามาทำงานหากถูกซักว่าต้องการพบด้วยวัตถุระอันใดก็จะตอบว่าเมื่อครู่ชายคนนั้นฝากอะไรบางอย่างไว้กับเขาและเขากำลังจะเอามาคืนคนคงไม่สงสัยเนื่องจากเขาเป็นวัยรุ่นดูไร้พิษสงอย่างน้อยคงบอกชื่อเสียงเรียงนามพร้อมห้องที่อยู่ให้โดยดีซึ่งขอเพียงรู้ชื่อนามสกุลพร้อมที่ทำงานเช่นนี้แฮกเกอร์อย่างเขาสามารถเล่นงานใครให้บอบช้ำแค่ไหนก็ได้ โดยที่เจ้าตัวจะไม่มีวันรู้เลยว่าชะตากรรมอันยแย่เหลือเชื่อนั้นใครเป็นผู้กำหนดไม่มีวันรู้ว่าใครเป็นผู้กำหนดชะตาคล้ายความคิดที่ผุดขึ้นระรอกนั้นพลิกผันปฏิรูปตัวเป็นมนต์บรรดานใจให้หัวระลึกถึถงนชเลอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้หลอนและหนังสือของหลอนอ้างเสมอว่าเรื่องราวทั้งหลายในชีวิตถูกลิขิตขึ้นจากกรรมเก่า อาจจะชาตินี้หรือชาติก่อนและเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาก็จะเป็นเหตุกระตุ้นให้มนุษย์เกิดปฏิกิริยาทางใจบันดาลให้ทำกรรมดีร้ายตอบสนองต่อไปอีกกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไม่รู้จบกระพริบตาสองสามครั้งหากคิดถึงปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นในกรอบของกรรมวิบากก็คงต้องบอกว่าผู้แกล้งคนอื่นย่อมถูกคนอื่นแกล้งคืนเมื่อใครถูกกลั่นแกล้งก็ย่อมผูกใจเจ็บ อยากกลั่นแกล้งกลับแล้วก็ต้องโดนแกล้งอีกหมุนวนเป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายอยู่อย่างนี้หากการเจอเจ้าอ้วนใจร้ายคือผลละครเก่าแล้วเข้าไปกลั่นแกล้งหมอนั่นไว้ตั้งแต่ปางไหนในเมื่อเกิดมาไม่เคยเจอกันสักหนถ้าบอกว่าเป็นอดีตชาติแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรใครจะอยากเชื่อว่าไอ้คนลวงโลกนั้นเป็นเจ้าหนี้เก่าที่มีสิทธิ์ทวงแค้นคืนตามกฎแห่งกรรม ขณะที่ยังไม่ทันสามารถตอบคำถามเดิมของตนเองได้ก็เกิดคำถามใหม่แทรกซ้อนขึ้นมาอีกชนิดที่ทำให้ชงะงักกึกเพราะเป็นคำถามซักค้านของคำถามที่พร้อมจะเถียงแม้แต่ตัวเองตามแบบฉบับนิสัยของแฮกเกอร์นั่นคือจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าอ้วนนั่นไม่เคยถูกเขากลั่นแกล้งในชาติปัจจุบันโดยทางตรงหรือทางอ้อมแต่ละคนมีสิทธิ์ก่อกรรมชนิดที่ส่งผลกระทาต่อวงกว้างได้เสมอ ทั้งที่ตระหนักและไม่ตระหนักนึกถึงกรรมใหญ่ที่ตนเพ่งก่อคือใช้ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์กลั่นแกล้งผู้คนไปทั่วโลกมันเป็นการแกล้งแบบเวียงแหไม่จำเพาะเจาะจงไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมใดหลอกคนเป็นล้านด้วยอุบายลวงแยบยนต์ดูดคนที่คิดอยากช่วยเหลือกันแต่ที่แท้เป็นการต้มตุแบบตลกเลือดเชือดกระเดือกชาวบ้านเล่นโดยไม่ต้องมีเหตุบาดหมางมาก่อน หนึ่งในล้านของเหยื่อเหล่านั้นอาจเป็นคนที่เพิ่งหลอกให้เขาหลงทางไปสสุดร้อนก็ได้ใครจะรู้ระบายลมหายใจยาวคิดถึงกรรมที่ตนเพิ่งทำไปเหตุผลแท้จริงที่อุตส่าห์อดตหลับขับตานอนอยู่หลายเดือนมาก่อการร้ายผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ก็เพียงแค่อยากมีชัยเหนือบริษัทซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของโลกเพียงแต่ อยากตบหน้ายักษ์ใหญ่ที่ชอบอวดโอและส่งคำท้าทายไปยังเหล่าแฮกเกอร์ให้ทะลวงผ่านรั้วป้องกันเวอร์ชั่นล่าสุดของตนดูประมาณว่าใครทำได้ถือเป็นเทวดาอะไรทำนองนั้นความสำเร็จของเขาเท่ากับการประกาศศักดาว่ามีชัยเนื้อกลุ่มโปรแกรมเมอร์ซึ่งฉลาดที่สุดของบริษัทซอฟแวร์เจ้าใหญ่ที่สุดบนพื้นพิภพไปแล้วแม้ไม่ได้ร่รางวัลจากสถาบันใด แต่ก็เป็นที่โจดจานระดับโลกและเป็นความน่าทึ่งในหมู่จรชนคอมพิวเตอร์ด้วยกันหาอ่านตามเว็บบอร์ดชุมนุมแฮกเกอร์ที่ไหนก็มีแต่คนกล่าวขวัญถึงเขาอย่างชื่นชมในขณะที่เขานั่งพยองลำพองขนอยู่ตามลำพังเงียบๆในประเทศเล็กๆที่ยังไร้วีรบุรุษทางด้านนี้ไม่มีใครนึกถึงและไม่มีร่องรอยใดๆให้ใครสาวมาเจอตัวเขาได้เลยแม้แต่น้อย เพราะเขาใช้เทคนิคแบบเซียนเหยียบเมฆที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนแต่ถ้ามองว่าวิบากกรรมหรือผลกรรมมีจริงเหตุการณ์วันนี้อาจเป็นการประกาศสักดาของธรรมชาติให้เขาประจักษ์บ้างว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมนุษย์ยังมีกฎแห่งการสนองกรรมเขาโดนเล่นงานแบบถึงเนื้อถึงตัวโดยไม่ต้องมีการสืบหาเบาะแสไม่ต้องมีการแกะรอยไม่ต้องมีการใช้เทคนโนโลยีขั้นสูงใดๆมางัดข้อกัน นึกถึงคำถามของตัวเองเมื่อครู่ที่วนซ้าๆอยู่ในหัวว่าทำไมมันทำอย่างนี้วะกูไปทำอะไรให้มึงวะทำไมเรื่องแค่นี้ถึงต้องหลอกกันด้วยวะเหล่านั้นจะเป็นคำถามเดียวกันกันกบที่อึงอนอยู่ในหัวของเหยื่อผู้เคราะหร้ายนับล้านของเขาด้วยหรือไม่กระพริบตาถิดๆอย่างมึนงงเพราะวูบหนึ่งคล้ายตรหนักว่าเสียงในหัวที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกกระทาอย่างไร เสียงเดียวกันนั้นจะย้อนกลับมาดังขึ้นในหัวของผู้กระทำเข้าให้จนได้นึกถึงการตีบทแตกของชายหน้าตาใจดีที่คล้ายพลอยตระนกเป็นเดือดเป็นร้อนแถนเขาก็ยิ่งสะกิดให้ย้อนนึกถึงอุบายลวงโลกของตนที่พูดแบบหวังดีชักชวนให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสมาติดตั้งแต่พอผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเอามาติดตั้งจริงกลับกลายเป็นตัวคลายพิกไปเสียชิบ เคยหัวเราะเยาะคนอื่นที่รู้ไม่ทันตนรับหลังบัดนี้ต้องมากลายเป็นไอหน้าโง่ที่ถูกหัวเราะเยาะไล่หลังเข้าให้บ้างช่างเถอะคงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นจองเลิกปลอบใจตนเองความประจวบเหมาะระหว่างสองเหตุการณ์ที่ละไม้คล้ายคลึงกันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกันแม้แต่น้อยทุกเรื่องเป็นอิสระจากกันมนุษย์มีอิสระที่จะเลือกเดินไปเจอสิ่งต่าง และสิ่งต่างๆก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกต้อนรับมนุษย์ตามอําเภอใจซึ่งมันก็แค่บังเอิญมาซ้ํารอยกันแค่บังเอิญเอหรือว่าไม่บังเอิญเขาจะรู้ได้อย่างไรกันหากนี่เป็นวาระแรกแห่งการปรากฏตัวของวิบากกรรมขึ้นมาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องน่ากลัวมีอยู่ว่าถ้านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นก็แปลว่าชีวิตเขากําลังเข้าสู่เส้นทางแห่งความหายณนะ เกินกว่าจะเดาผลสุดท้ายได้ถูกเพราะการทำให้คนเดือดร้อนเป็นล้านคงไม่ใช่แค่โดนหลอกเรื่องห้องน้ำในนาทีวิกฤตเท่านี้หรอกย้อนทวนขึ้นไปแล้วต้องหนาวอย่าเยือกเขาลืมไปสนิทว่าที่ออกจากบ้านวันนี้ก็เพราะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเป็นอันดับแรกคือกำลังจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อติดตามข้อมูลสาคัญอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ดันเสียขึ้นมาเฉยๆรากับ ถูกกำหนดเวลาไว้พอดิบพอดีให้พ้นระยะเปลี่ยนเครื่องได้ใหม่จากความเย็นสันหลังแปลเป็นอาการขนหัวลุกนี่เป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพูดผีปีศาจเพราะพูดผีปีศาจจะเล่นงานใครยังมีรูปแบบยังมีเงื่อนไขข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการหลอกล่อแต่วิบากกรรมนั้นหากมีจริงแล้วล่ะก็จะเล่นงานผู้เป็นเป้าหมายด้วยรูปแบบใดก็ได้ไม่จำกัดในเมื่อทุกชีวิต ทุกวินาทีและทุกหนแห่งที่เขาผ่านไปพบบนโลกใบนี้อาจแปลเป็นเครื่องมือของวิบากกรรมได้ทั้งหมดทั้งสิน้นทำอย่างไรจะรู้ได้ว่าวิบากกรรมเป็นของจริงและบัดนี้เขากาลังเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มตัวไม่เคยรู้สึกการพิสูจน์ใดๆจำเป็นเท่านี้มาก่อนเลยเขาจะต้องรู้ให้ได้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงในหนังสือเลือกเกิดใหม่ ระบุไว้ว่ากรรมคืออะไรอย่างหนึ่งที่ปราศจากรูปร่างหน้าตาปราศจากความรู้สึกนึกคิดปราศจากเจตจำนงไม่มีแม้กลุ่มพลังให้สัมผัสได้อย่างเปลวแดดหรือควันไฟมีแต่ความจริงให้รับรู้ว่ามันเป็นเงาตามทุกคนและคอยทำหน้าที่บรรดาลเหตุการณ์ดีร้ายอย่างปราศจากอคติอยู่เท่านั้นถ้าอยากให้กรรมออกจากที่ซ่อนและแสดงตัวเป็นรูปธรรม ท, ทันใจ ก็ให้เลือกเอากุศลกรรมเด่นๆที่ทำประจำมาเป็นตัวตั้งจากนั้นจงเอ่ยปากแบบเสียงดังฟังชัดอธิษฐานว่าหากกรรมวิบากมีจริงก็โปรดบรนดาลเรื่องดีสมกับกรรมดีที่ทำเพื่อเป็นข้อพิสูจน์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้มีมานะในการบาเพ็ญบุญกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดพลังแห่งความจริงนั้นน่าพิศวงเหนือพลังอื่นใด เมื่อใดอ้างถึงความจริงทุกคนย่อมสามารถสัมผัสรู้สึกได้ถึงพลังที่มีอยู่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกุศลผลบุญอันหนักแน่นที่สั่งสมมานานแต่นาทีนั้นขณะแห่งความรู้สึกบีบคั้นและประวัติพรั่นพรึงในบาปอากุศลที่เพิ่งทุ่มใส่ผู้คนนับล้านทำให้จองเริกนึกไม่ออกว่าตนเคยประกอบกรรมดีอันใดไว้บ้างย้อนนึกขวานค้นในสมองก็เจอแต่เรื่องเล ว, เลว แม้กระทั่งการช่วยน้เลให้หลุดรอดจากการสวมรอยของจุบแจงเขาก็อุตส่าห์ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้จุบแจงด้วยการเอาไปประจานเสียอีกพอนึกไปนึกมาหาความดีของตัวเองไม่เจอหนักเข้าจองเลิกก็โกรธตัวเองโกรธกดแห่งกรรมโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาเมื่อบวกกับความเลือดร้อนแห่งวัยจึงทำให้หน้ามืดไปชั่ววูบ แทนที่จะนึกอธิษฐานอ้างอิงกรรมดีตามคำแนะนำในหนังสือเด็กหนุ่มกลับพูดออกมาลั่นห้องซ่วมว่าถ้ากรรมที่ทำให้คนต้องทุกข์หนักมีผลสนองได้จริงก็ขอให้เล่นงานกูภายในวันนี้อีกรอบเถอะอยากพิสูจน์ว่านั่นต้องอย่างนั้นพูดแล้วอดสะใจในความบ้าดีเดือดของตนเองไม่ได้จะมัวหดหัวอยู่ทาไมส่งคาท้าให้เห็นดาเห็นแดงกันไปเลย ถ้าวิบากกรรมมีจริงก็อยากท้าชกกันตัวต่อตัวไปเลยแต่อึดใจเดียวจองเริกก็ขนลุกเกรียวอย่างประหลาดวูบหนึ่งคลายหน้ามืดสายตาพร่าพรายเห็นทุกอนุอากาศรอบตัวปรากฏเงาดำทะมึนหลอกหลอนเขาปิดเปลือกตาลงบีบแน่นแล้วลืมตาขึ้นใหม่แต่ความรู้สึกหนักๆทึบๆนั้นที่หน้าพรั่นพรึงยังคงลอยวนอยู่รอบรายไม่หายไปไหน จนต้องสู์หายใจเข้าปลอดโยยา ว, ยาวเพื่อสร้างความปลอดโปร่งให้ตนเองหลายๆหนจึงค่อยรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยกลนน้ำลายอึกใหญ่คงไม่มีอะไรแค่อุปทานไปเองแต่ถ้าความจริงคือไม่มีอะไรแล้วอะไรเล่าที่ทำให้เขาขนลุกนี่เขาเพิ่งพูดอะไรน่ากลัวที่สุดในชีวิตออกไปหรือเปล่า